ตอนที่หกสิบเอดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่นางเบืออหน้าหนีอย่างเด็ดเดี่ยวเยว่าหัวเราออกมาเบาๆพรางตบไหลน้องสาวเบาๆแล้วปล่อยให้นางจมอยู่กับความคิดของตัวเองเพียงลำพังแม้ปากจะบอกว่าเด็ดเดี่ยวแต่ในใจของเยว่ากลับว่าวุ่นไปหมดนางหึงเสียชิงจือย่างนั้นหรือหน้าขันหน้าขันสิ้นดีผู้ชายที่ในชาติก่อนแม้แต่นางตั้งคันก็ยังไม่มีความสงสารเห็นใจแม้แต่น้อย นางจะไปหึงหวงเพราะความลำเอียงของเขาได้อย่างไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่เขาลำเอียงเข้าข้างคือเซียชิงจือหากจะบอกว่าหึงหวงมิสู้บอกว่าเป็นความแค้นจะเหมาะสมกว่าใช่แล้วมันคือความแค้นเยว่าหาข้ออ้างที่เหมาะสมให้ตัวเองได้แล้วนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ของตนเองเมื่อกลับถึงจนสิ้นอองหลิงเซินมุ่งตรงไปยังเรือนของเซียชิงจือแต่กลับพบนางกับหวางเฟยกําลังชมดอกไม้อยู่ในสวนพอดี เมื่อมีหวังเฟย์อยู่ด้วยหลิงเซินจึงลังเลเล็กน้อยแต่เซี่ยชิงจือกลับเห็นเขาก่อนนางตะโกนเรียกมาแต่ไกลที่เซินท่านกลับมาแล้วหลินเซินจึงจำต้องเดินเข้าไปทำความเคารพหวังเฟย์สายตาของเขาจับจ้องไปที่เซี่ยชิงจือนางไม่ได้สวมผ้าคลุมหน้าแล้วบาดแผลบนใบหน้าหายดีอย่างรวดเร็วจนมองไม่เห็นร่องรอยใดๆเลยหวังเฟยเห็นสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่เซี่ยชิงจือก็รู้สึกยินดีจึงฉวยโอกาสนี้ช่วยส่งเสริม ชิงจือของพวกเราทั้งหน้าตาและกิริยาถ้าทางไม่แพ้แม่หนูตระกูลเยเว่เลยใช่ไหมละ่ะดูสิพอหายดีแล้วช่างดูหมดจดงดงามเหลือเกินเสียชิงจือยกมือขึ้นปิดปากยิ้มอย่างเอียงอายท่านนะท่านอย่าล้อหม่อมฉันเล่นเลยเพคะลินเซินขมวดคิ้วเงียบเงียบพังเบื่อหน้าหนีในใจเขายังคงรู้สึกไม่มั่นใจแม่นางที่ดูอ่อนแอเช่นเสียชิงจือจะสามารถคิดแผนการชั่วร้ายอเมหิตเช่นนี้เพื่อทำร้ายเยว่าวและจวนกัวกงได้จริงๆหรือ นางกับเยาว์ wow, เคยมีเรื่องเข้าใจผิดกันสองามครั้งและนางก็เคยลำบากมาบ้างจริงๆโดยเฉพาะบาดแผลบนใบหน้าที่ต้องรักษาอยู่นานหลายวันแต่นั่นก็เป็นเพียงการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยระหว่างหญิงสาวเหตุใดถึงต้องล้างแค้นอย่างโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้จนทำร้ายทั้งผู้ประสบภัยและทำร้ายจนกลัวกลมด้วยยิ่งคิดคิ้วของเขาก็ยิ่งขมวดแน่นทั้งสองคนเห็นสีหน้าของเขาไม่สู้ดีจึงพากันเอ่ยถามเซินเอ๋อเจ้าดูใจลอยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ เซี่ยชิงจือผ่านนึกขึ้นได้ได้ยินว่าการบรรเทาทุกของที่เยเวเกิดความผิดพลาดผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ดื่มโจ๊กเข้าไปต่างก็มีอาการไม่สบายยา น, นี้ชาวบ้านต่างพากันลือว่าเป็นเพราะพี่เยเวใช้ข้าวสารขึ้นระมาบรรเทาทุกจึงทำร้ายผู้ประสบภยัยหวางเฟยตกใจมากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นด้วยหรือนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่หนูคนนี้จะเป็นคนเช่นนี้นึกว่านางจะมีเมตตาออกไปบรรเทาทุกที่แท้ก็เพื่อยักยอกสเสบียงกลางช่างน่าแค้นใจนัก นี่เป็นความผิดมหาศหากเป็นเรื่องจริงจะต้องถูกประหารล้างตระกูลไม่ไดการเรื่องงานแต่งงานนี้ต้องยกเลิกเสียายามนี้นางทาเรื่องเช่นนี้ฝา บ, บาทคงไม่ตรัสอะไรอีกแล้วเซินเอ๋อเจ้าจงรีบหลินเซินพู้แทรกขึ้นมาสเสด็จแม่ลูกได้เข้าเฝ้าฝา บ, บาทมาแล้วพ่ะย่ะค่ะลูกได้รับรองต่อหน้าฝา บ, บาทว่าเรื่องนี้เยาเยาถูกใส่ร้ายป้ายสีฝา บ, บาททรงมอบหมายให้ลูกเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้ว เสี้ยชิงจือไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยแม้แต่น้อยแต่หวังเฟยกลับตกใจจนเซถอยหลังไปสองก้าวเสี้ยชิงจือรีบเข้าไปพยุงไว้หวางเฟยโกรธจัดเซินเอ๋อเจ้าจะยอมรับเรื่องนี้มาไว้กับตัวอย่างนั้นหรือเจ้ารู้หรือไม่หากหาตัวคนร้ายตัวจริงไม่ได้ก็แล้วไปอย่างมากก็แค่ถูกฝ่าบาทตําหนิแต่หากตรวจสอบพบว่าเป็นคนตระกูลเยเว่ที่ยกยอกสเสบียงกาลังจริงๆแล้วเจ้าปกป้องนางมิเท่ากับต้องรับโทษไปด้วยกันหรือ ถึงเวลานั้นไม่ใช่แค่เจ้าคนเดียวที่ถูกลงโทษแต่จวนสิ้นอ๋องทั้งจวนจะต้องพ้อยเดือดร้อนไปด้วยนะหลินเซินไม่หอกพยาค่ ะ, สะเสด็จแม่ลูกมั่นใจว่าเยาเยาถูกใส่ร้ายเซี่ยชิงจืออดไม่ได้ที่จะโต้แยง้งที่เซินเหตุใดท่านถึงมั่นใจเพียงนั้นแม้พี่เยเว่จะมีสัญญามั่นหมายกับท่านแต่ท่านกับนางเพิ่งจะรู้จักกันได้นานเท่าใดแล้วท่านรู้จักตัวตนของนางดีแค่ไหนกัน คำพูดของนางเต็มไปได้วยความขุ่นเคืองและไม่ยินยอมทำให้หลินเซินเริ่มสงสัยขึ้นมาอีกครั้งชิงจือเจ้าเองก็คิดว่ายวยเป็นคนเช่นนั้นหรือเสี่ยชิงจือชะงักไปสายตาหลุกหลิกหลบเลี่ยงชิงจือไม่ได้อยากจะพูดจาให้ร้ายพี่เย่เว่เพียงแต่รู้หน้าไม่รู้ใจพี่เซินอย่าได้เชื่อใจคนอื่นง่ายเกินไปนักเลยจะดีกว่าคนอื่นอย่างนั้นหรือหลินเซินขมวดคิ้วแน่น สำหรับเซีย่ยชิงจือแล้วเยว่าคือคนอื่นแต่เห็นชัดๆว่านางเรียกพี่เยเว่คำนั้นคำนี้อย่างสนิทสนมนางตั้งข้อสงสัยว่าเขารู้จักเยว่ all, ไม่นานไม่รู้จักนิสัยใจคอของเยว่ดีพอแต่ตัวนางเองกลับทําตัวสนิทสนมเอาใจเยว่มาตั้งแต่ต้นเมื่อนึกย้อนไปถึงเรื่องราวต่างๆก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเซีย่ยชิงจือเองก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นภายนอกจริงๆความสงสัยใน ใ, นใจของหลิงเซินยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนอดไม่ได้ที่จะถามออกไป ข้าวสารที่ใช้บรรเทาทุกถูกสเปลี่ยนเป็นข้าวสารขึ้นราจนเกิดเรื่องชิงจือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งเสี้ยชิงจือและหวางเฟยต่างก็เปลี่ยนสีหน้าพร้อมกันเสี้ยชิงจือถึงกับตาแดงก่ำในทันทีน้ำตาคลอเบ้าพลางสะอื้นให้ที่เซินท่านหมายความว่า อ, อย่างไรทานท่านกําลังสงสัยสงสัยว่าชิงจือจะยอมทําร้ายแม้กระทั่งชีวิตของผู้ประสบภัยเพื่อที่จะทําร้ายพี่เย่เว่ยอย่างนั้นหรือ ในสายตาของท่านชิงจือกลายเป็นคนอมหิทผิดมนุษย์ใจคอโหดเหี้ยมเหมือนงูพิษถึงเพียงนี้เชียวหรือหลินเซินถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะหวังเฟยโกรธจัดจนตะโกนใส่เขาเสียงดังเซินเ อ, อ๋อเจ้าถูกหนิงจิ้งจอกนั่นล่อลวงจนเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรเจ้าสงสัยชิงจือได้อย่างไรนางเป็นเพียงหญิงสาวที่อ่อนแอถึงเพียงนี้จะไปทาเรื่องพันนั้นได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นชิงจือเติบโตมาพร้อมกับเจ้า นางเป็นคนอย่างไรเจ้าไม่รู้หรือตั้งแต่น้อยจนใหญ่นางมีจิตใจเมตตาอ่อนหวานเรียบร้อยเจ้ากลับเจ้ากลับสงสัยว่านางทําร้ายคนเจ้าเจ้าลูกสพีหวังเฟยโกรธจนเนื้อมือจะตกแต่ถูกเสี้ยชิงจือรีบคว้าตัวไว้เสียก่อนท่านหนาท่านหนาอย่าเพิ่งวู่วามเจ้าค่ะที่เซินคงแค่ถูกบังตาชั่วคราวเท่านั้นเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเจ้าค่ะหวังเฟยยิ่งรู้สึกสงสารเสี้ยชิงจือมากขึ้นไปอีก เสนเอเจ้าลืมตาดูให้ดีชิงจือถูกเจ้าสงสัยและใส่ร้ายถึงเทิ่งนี้นางยังอุตสาพูดแก้ตัวแทนเจ้านางจิ้งจอกน้อยตระกูลเย่นั่นจะทําเพื่อเจ้าได้ขนาดนี้เชียวหรือนางมีแต่จะคอยปั่นหัวเจ้าไม่หยุดตั้งแต่รู้จักนางเด็กนั่นมาไม่กี่วันเจ้าก็ทะเลาะ ก, กับเสด็จพ่อของเจ้าทีหนึ่งไม่ก็คอยระแวงคนนั้นสงสัยคนนี้ในใจของเจ้านอกจากนางเด็กนั่นแล้ว ยังมีเสด็จพ่อเสด็จแม่มีชิงจือและมีจนสิ้นอองอยู่อีกหรือไม่ลินเซิร์นรู้สึกเหมือนถูกสายฟาฟาดเขาไร้สารมันสําน็คขนาดนั้นเชียวหรือชั่วขณะหนึ่งเขาตกอยู่ในความสับสนและเริ่มสงสัยในตัวเองความคิดอ่านเริ่มวุ่นวายสับสนเขามองเสี่ยชิงจือทีมองหวังเฟยทีก่อนจะหลุบตาลงลูกมีธุระสาคัญขอตัวลาไปก่อนไม่รอให้หวังเฟย อ, อนุญาตเขาก็รีพันหลังเดินจากไปทันทีหวังเฟยโกรธจนพูดไม่เป็นประโยค เจ้าลูกสพีลูกสพีเซียชิงจือมองตามแผ่นหลังของหลิงเซินที่เดินจับไปพรางหลีตะลงนางมองหวังเฟยแวบหนึ่งก่อนจะพยุงนางไปนั่งลงที่ศาลาเมื่อช่วยให้หวังเฟยอารมณ์เย็นลงแล้วเซียชิงจือก็เริ่มอย่างเชิงอย่างระมัดระวังท่านนาอย่าสงกริ้วเลยเจ้าข้าพี่เซินเติบโตมากับท่านนาและท่านอองตั้งแต่เด็กใจของเขาย่อมต้องอยู่กับพวกท่านอยู่แล้วให้เวลาเขาหน่อยอีกหน่อยเขาก็จะคิดได้เองเจ้าค่ะหวังเฟยทอดถอนใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า จะไม่รู้อะไรเซนเ อ, อ๋อไม่ได้เติบโตมากับข้าและท่านอองตั้งแต่เด็กรอกดวงตาของเซียชิงจือเป็นประกายขึ้นมาทันทีนางถามต่อว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเจ้ากะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรหรือเจ้าคะ